8. สหธรรมมิกวัรหนึ่งสหธรรมมิกวศิกขาบท 124. ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่โดยชอบธรรมกลับกล่าวว่าท่านทั้งหลาย กระผมจะยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้จนกว่าจะได้สอบถามภิกษุรูปอื่นผู้ฉลาดผู้เป็นวินัยทอนณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครุงโกสัมพีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระช น, นะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระช น, นะ